หา ใ, ใจไว้นะอดี๋ยวยู่หายใจพยายามรวมการปฏิบัติเข้าในชีวิตจริงๆให้ได้ถ้าเก่งปฏิบัติตอนทำในรูปแบบยังไม่พอหลวงปู่ ม, มั่นท่านสอนอว่า หัวใจสำคัญของการปฏิบัติเนี่ยนะคือการเจริญสติอยู่ในชีวิตธรรมดาที่ทำไมการใช้ชีวิตธรรมดานี้สำคัญมากเราเราใช้ชีวิตส่วนใหญ่ของเราอยู่ในชีวิตธรรมดานี่วันหนึ่งอย่านั่งสมาธิเดินจงกลมเนีสักกี่ชั่วโมง ขารวาดยิงย่งแทบไม่มีเวลาตื่นเช้ามาหัวสุขหัวสุนออกจากบ้านทำงานสมัยหลวงพ่อทำงานตอนเย็นเลิกงานแล้วก็กลับบ้านยังมีเวลายังไม่หมดแรงคนรุ่นนี้กลับบ้านดึกกลัวรถติดก็เลย อยู่ที่ทำงานนานๆบางทีครโรติดนะจะอยู่ตามที่ท่องเที่ยวทั้งหลายตามศูนย์การค้าตามอะไรเอาเวลาไปล้างผลานสมหมดละเวลากลับถึงบ้านสมสารเหมือนนกปีกหักไม่มีแรงจะภาวนาแล้วก็ผลัด วันนี้ไม่มีแรงเดี๋ยวไว้ก่อนเดี๋ยววันพรุ่งนี้จะทําลัดไปเรื่อยๆเดี๋ยวถึงวันหยุดก่อนวันหยุดก็มีโปรแกรมอีกลนะมีรายการอีกละบางทีก็ผลัดไปไกลเดี๋ยวอายุห้าสิบก่อนจะภาวนาใครเคยคิดอายุห้าสิบจะภาวนามีไหมแนะคนทั่วๆไปนะไม่รู้เลขลักจี้นัมเบอร์อะไรนะห้าสนะิบเนี่ย คืออยากอยู่กับโลกจนกระทั่งหมดแรงแล้วนั่เลยคิดจะมาภาวนาตอนแก่แก่คิตอย่างนั้นโอกาสได้มักผลในชีวิตนี้ไม่มีหรอกถ้าเราอยากได้มากผลนิพพานมันต้องสู้จริงๆเวลาในชีวิตเราเนี่ย ต้องเอามาใช้ในการปฏิบัตินะเวลาทำงานมันจําเป็นต้องทํามาหากินอันนี้ก็ตัดออกไปนะเวลานอนมันจําเป็นต้องนอนอันนี้ตัดออกไปเวลาที่เหลืออย่าเอาไปทิ้งต้องเฉริญสติให้ได้นะหลวงพ่อภาวนานะ พระยังบอกเลวเวลาไปส่งกันบ้านครูบาอาจารยนะ์พวกพระมานั่งฟังบ้างอะไรบ้างเคยมาแอบถามหลวงพ่อเนะ่ยว่าโยมปฏิบัติได้ยังไงพระทำสิบปียี่สิบปีนะไม่เหมือนโยมทำปีเดียวนี่ทำตอนเป็นกะลาวัดนะหลวงพ่อก็บอกท่านหลวงพ่อปฏิบัติตั้งแต่ตื่นจนหลับ ยูเว็นเวลาทำงานที่ต้องคิดนั่นนั่นคือเวลาที่เราปฏิบัติได้ตลอดมีสติไปรู้เท่าทันกายรู้เท่าทันใจไปแลาเวลาทำงานแปดชั่วโมงนะั่ไม่ใช่ทำงานจริงแปดชั่วโมงไม่มีใครทำหรอกพ่อเคยอ่านงานวิจัยอันนึงนะบอก คนทำงานวันหนึ่งจริงๆประมาณสี่ชั่วโมงกว่ากว่าพวกที่ขยันนะพวกที่ตั้งใจทํานะพวกขี้เกียจน้อยกว่านั้นอีกเวลาส่วนใหญ่เอาไว้ใจลอยไม่ได้เป็นเวลาทํางานจริงเวลาเราทํางานใจลอยบ้างไหมใจลอยเยอะเลยถ้าหลวงพ่อเป็นนายจ้างนะหลวงพ่อจะเก็บคะแนนพวกเราเสร็จแน่นอนเลย โบนัสไม่มีหลวงพ่อได้โบนัสคนเดียวนะจับผิดเก่งหลวงพ่อปฏิบัติตั้งแต่ตื่นตอนที่ตื่นเนี่ยยังอยู่บนเตียงเวลาตื่นเนี่ยจิตมันตื่นขึ้นก่อนร่างกายมันตื่นทีหลังจิตมันขึ้นจากพวังไึ้นมา เนี่ยมันรู้สึกตรนี้เลยจิตมันเคลื่อนขึ้นมาสว่างขึ้นมามีความรู้สึกในจิตใจเกิดขึ้นก่อนแล้วมันขยายความสว่างออกไปช็อตที่สองปุ๊บกระทบเข้ากับร่างกายรัศมีของจิตกระทบเข้ากับร่างกายร่างกายก็ปรากฏขึ้นมาตอนที่จิตผุดขึ้นมาเนี่ยมีสติเห็นจิต ขึ้นจับวังนะตอนนั้นมันยังไม่คิดไม่นึกอะไรทั้งสิ้นนะไม่รู้อะไรทั้งสิ้นแต่รู้สึกตัวเห็นจิตทำงานขึ้นมาไม่ขยายความรับรู้มามีร่างกายปุ๊บนะรู้เลยร่างกายมันอยู่ในอิริยาบทไหนในท่าทางอะไรนะรู้หมด ตอนนั้นถ้าเทียบกับพวกเรานะถือว่ายังไม่ตื่นนใกล้ๆจะตื่นใกล้ๆจะตื่นเนี่ยรู้หมดละร่างกายเป็นยังไงเสร็จแล้วสัญญาสังขารมันเริ่มทํางานความจําได้หมายรู้มันผุดขึ้นมาความปรุงทั้งหลายมันผุดขึ้นมามันทํางานต่อมีสติรู้ ตอนนั้นสิ่งที่มันผุดขึ้นมาก็คือวันนี้วันอะไรวันนี้วันจันสังขารปรุงเลยห่อเหี่ยวเอเบื่ออย่างเลยวันจันทำไมเร็วนักวะสาวอาทิตย์ทำไมมันสั้นนักรู้สึกถึงวันจันอีกแล้วใจเซ็งๆนะเบื่อขี้เกียดนั่นแหละเห็นความขี้เกียจแต่มันต้องลุกแล้ว ลุกไปอาบน้ำไปในเห็นร่างกายมันทำงานไปเวลาหน้าหนาวอาบน้ำอาบน้ำในตุ่มนะคนโบราณไม่มีน้ำร้อนน้ำอะไรหรอกน้ำร้อนก็ต้องต้มมาว่าไม่ต้มหรอกเสียเวลาอาบน้ำในตุ่มตามองเห็นตุ่มน้ำเนี่ยถ้าเป็นหน้าหนาวนะความรู้สึกสยองเกิดขึ้นในใจเนี่ยปฏิบัตินกะ ปฏิบัติอยู่ในชีวิตจริงๆเลยตามองเห็นความรู้สึกสยดสยองเกิดขึ้นที่จริงตอนที่ตาเห็นนะใจแม่สยองอะ่ะมันมีการแปลความหมายก่อนว่ า, นะวาอุ้ยน้ําในตุ่มมันต้องเย็นนะอากาศตอนนี้ก็เย็นเช้มดนะืดเนี่ยใจสยดสยองรู้ว่าสยดสยองอาไปขันที่หนึ่งสยองมากขันต่อๆมาเนี่สยองน้อย ลดลงลดลงเราขันท้ายๆจะเสร็จแล้วเริ่มดีใจพออาบเสร็จเช็ดตัวตัวอุ่นเนี่ยร่างกายเย็นเราก็รู้ร่างกายอุ่นขึ้มาเราก็ ร, ร, ก ร, กรู้อันนี้คือการเห็นธาตุนะธาตุไฟตอนที่เราอาบน้ำํำธาตุไฟมันน้อยตอนที่อาบน้าเสร็จเนี่ยธาตุไฟเพิ่มขึ้น รู้สึกร้อนรู้สึกหุ่นเนี่ยดู ก, กายก็ได้ใจเราพออบอุ่นขึ้นมารู้สึกสบายใจใจมีความสุขรู้ว่ามีความสุขในการภาวนานะรู้กายรู้ใจอย่างที่มันเป็นไปเรื่อยๆเสร็จแล้วพอแต่งเนื้อแต่งตัวอะไรก็รู้สึกตัวไปเรื่อยๆนะออกแขบบ้านไปขึ้นรถเมล์รอรถเมล์ก็เป็นเวลาปฏิบัติ หลวงพ่อไม่เหมือนหลายคนนะที่ว่าเวลาปฏิบัติก็คือเวลาที่ไม่มีภาระอื่นแล้วรีบร้อนทำงานอะไรต่ออะไรรีบให้เสร็จๆไปกาวว่างานเสร็จหมดแล้วจะได้มาปฏิบัติใะนั้นปฏิบัติไม่เป็นหรอกขอาหลวงพ่อตั้งแต่ตื่นนอนก็ปฏิบัติแล้วเอออยู่อย่างปฏิบัติเลยนะถ้าท้องผูกเนี่ยจิตใจเป็นยังไงสดชื่นไหมท้องผูก ไ ม, ไม่สดชื่นเนี่ยดูเข้าไปรู้เข้าไปในกายรู้เข้าไปในใจนะไปรอรถ่มย์มีคนมารอเยอะแยะเลยต้องต่อสู้ต้องแย่งชิงไม่มีการเข้าแถวเดี๋ยวนี้มีไหมยังไม่มีเหมือนเดิมไม่พัฒนาเลยนะ <c oughs> เราขึ้นรถไฟฟ้าอะไรเนี่ยตรถใต้ดินวันนี้ไม่ไม่มีคิวเหมือนกันหรอือ มีหลวมๆแสดงว่าพัฒนาแบบหลวมๆเนี่ยเหมือนหูคู่ต่อสู้เยอะเลยจะต้องแย่งรถเมย์กันนะเดี๋ยวนี้รถเมย์ย่างแน่นไหมมีรถสารพัดชนิดแล้วแน่นแน่นอยู่มันไม่พัฒนาเนาะรถเยอะแยะเลย รถเมยมาแน่นเอียดเลยขึ้นไม่ไดนะ้เห็นห้อยต่องแต่งมาไม่สบายใจเราจะไปยังไงนะนะเห็นรถว่างๆมาดีใจเคยเห็นรถเมยว่างไหมวิ่งมาว่างๆนะดีใจบกไม่จอดหรอกนะถ้ามันจอดมันคงไม่ว่างมันจะรีบจะทำว่าได้หลายรอบ เนี่ยสิ่งเหล่านี้ยคือการปฏิบัติเรื่องง่ายๆอย่างเนี้ยคือการปฏิบัติขึ้นรถเมย์ได้นะโหนบันไดได้ก็ดีใจละดีใจรู้ว่าดีใจโหนนานๆเมื่อยร่างกายลาละอะไรนี้รู้ไปถึงที่ทำงานยังไม่ไม่ถึงเวลาเข้าทำงานถึงก่อนนิดหน่อย ก็ดีใจแล้วดีใจก็รู้ว่าดีใจเดินจากป้ายรถเมล์เข้าที่ทำงานก่อนทำงานอยู่ในธรรมเนียบรัฐบาลสวยนะเป็นต้นไม้ดอกไม้อะไรนี้เยอะเข้าไปเห็นดอกไม้สวยๆเห็นต้นไม้สวยงามสบายใจรู้ว่าสบายใจไม่เพลินมีความสุขได้ไหมได้ ไม่ห้ามแต่มีความสุขแล้วรู้ทันนี่คือการปฏิบัติละกำลังเดินเดินอยู่นึกขึ้นได้ว่าวันนี้หัวหน้ากองเรียกประชุมได้เช้าเลยสุดเซ็งเลยนะเซ็งมากวันไหนแกไม่อยู่นะทุกคนในกองนะี้แทบจะจัดปาร์ตี้เลยนะ <c ười> เครียดคนเครียดที่จริงก็น่าสงสารนะ ชีวิตเขาลำบากเกิดในยุคสงครามโลกเมินฝังใจกับความบาดกลัวทั้งหลายมาทำงานก็ยังกลัวงานไม่เสร็จกลัวจะไม่ดีอะไรงี้ความกลัวมันนำทุกอย่างก็น่าสงสารเนาะแต่เราเป็นลูกน้องเราลำบากไปด้วยวันหน้ากลัวงานชิ้นเดียวทำแล้วทำอีก อ, อยู่นั้นไม่เสร็จกลัวไม่ดี ไม่ได้ชั่วนะเขาไม่ได้ใช่คนชั่วร้ายอะไรเป็นคนคนดีเชียวละ่ะแต่วิธีทำงานลูกน้องลำบากพอนึกถึงว่าวันนี้จะเจ้าไหนเรียกแต่เช้าเลยนะเซงเซงยิ่งมาตื่นมาคิดว่าเป็นวันจันทร์อีก น, นี่คือการปฏิบัติไปแวะกินข้าวซะหน่อย ไม่กินข้าวถ้ามีเวลาไม่กินข้าวเลือกอาหารอันนี้มีแต่ของไม่ชอบเลยวันนี้แต่ละร้านแต่ละร้านมีแต่ของไม่ชอบแล้วทุกร้านขายอย่างเดิมทุกวันเนี่ยเป็นเอกลักษณ์พิเศษของร้านอาหารตามหน่วยงานตามโรงเรียนตามอะไรขายเหมือนเดิมทุกวันเลย ที่จริงไม่ต้องเดินเลือกก็ไดนะ้พออยู่ไปนานๆเนี่ยรู้เลยว่าอะไรอยู่ตรงไหนนะจินปรกกันตายไปยงั้นนะช่วยไม่ได้นะใจไม่ชอบรู้ว่าไม่ชอบเนะีนะ่ยการปฏิบัติตั้งแต่เช้านะก็ปฏิบัติมาตลอดเลยยังไม่ได้ถึงเวลาทำงานตอนที่จะเข้าไปห้องทำงานเนี่ยเดินไปที่โต๊ะ เปิดคอมพิวเตอร์เปิดโต๊ะตรงนี้ยังไม่ได้ทำงานแค่เตรียมบางคนเดินไปชงกาแฟคนเดินไปชงกาแฟช่วงนี้ก็ยังไม่ทำงานมีสติได้ถ้ามีสติก็คือได้ปฏิบัติอยู่ลงมือทำงานนะศึกษาวิเคราะห์คิดในต่ออะไรเขียนออกมา หรือโทรศัพท์ติดต่อตอนโทรศัพท์เข้าก็ปฏิบัติได้นะเราทำงานอยู่เนียจดจอ่อแงานไม่ได้ปฏิบัติเรกเราจะรีบทำงานนั้นโทรศัพท์กรี๊งเข้ามาเนี้ยงุญหญนหะงิดนะงุนหงิดรู้ว่างุนหงิดก่อน ค, อค่อยโทรศัพท์ไมมการปฏิบัติจริงๆอยู่ในชีวิตของเราเนี่เองวันหนึ่งวันหนึ่งเนี่ยหลวงพ่อไม่เคยเจอปัญหาว่าไม่มีเวลาปฏิบัติ มีเวลามากมายมหาศาลตอนกลางวันไม่กินข้าวในที่ทางานหรอกไม้กินข้าวในที่ทำงานนะหัวหน้าส่งคนมาตามที่เราซื้อข้าวมาเรียกแล้วห่วงโน้นห่วงนี่จุกจิกจุกจิกกลางวันเนี่ยหลวงพ่อเดินไปกินข้าวแถวกอพอบ้างแถวอะไรบ้างนางเล้งบ้างออกไปข้างนอก ตอนที่เดินไปเนี่ยคือเวลาเดินจงกลมตอนกินข้าวก็คือเวลาปฏิบัติใจเรารู้สึกยังไงบางทีก็คุยกับคนไม่ใช่ไม่มีปฏิสันถานบางทีก็ไปกับหลายคนนั่งคุยกันเขาหัวเราะเราก็หัวเราะเขาขำเราก็ขำแต่เรามีสติรู้ร่างกายหัวเราะเรารู้จิตเราขำเรารู้ไม่แกล้งว่าเป็นนักปฏิบัติจะต้อง ไม่ขำกินข้าวเสร็จนะก็เดินไปตามวัดวัดใกล้ๆที่ทำงานถ้าไปกินข้าวก็พอก็เดินไปวัดเบญจกุถ้าไปนั่งเลองก็เดินเข้าวัดสมคนถามว่าไปทำอะไรตามวัดทุกวันไปไหว้พระไหวจริงๆนะว่ายอยู่หน้าโบสถ์นะพอเจอถึงวัดแล้วก็ไหว้แล้วก็เดินกลับแล้ว ที่จริงคือไปเดินชงกลมเราปฏิบัติไม่เห็นต้องแขวนป้ายเลยว่าเราเป็นนักปฏิบัติคนมันไม่รู้หรอกว่าเราปฏิบัติถ้าคนรู้ว่าเราปฏิบัตินะมันจะมีข้อเรียกร้องกับเราเยอะเลยเวลาเราโมโหนะมึงก็จะว่าเลยนะปฏิบัติยังไงยังโกรธอยู่ถ้ามาว่าหลวงพ่ออย่างนี้หลวงพ่อจะเถียงกูไม่ใช่พรนาคานะมึงมึงพูดอย่างนี้ยิ่งโกรธมากกว่าเก่าอีกนะ นี่หลวงพ่อภาวนายอย่างนี้นะตอนเย็นกลับบ้านอาบน้ำอาบท่าเหนื่อยสมองเครียดพักผ่อนซะหน่อยหนึ่งดูหนังการ์ตูนดูอะไรดูโทรทัศน์เหมือนกันชอบดูการ์ตูนชอบอะไรอย่งนี้ยละครไม่ดูละครไทยไม่ยอมดูเลยนะยิ่งดูยิ่งเครียดไม่รู้จะดูหาสวรรค์วิมานอะไร เดี๋ยวีแม่ผัวมันก็ตกเพลุกสะพ้ายเมียน้อยตีกับเมียหลวงอ ะ, อะไรเงี้ยโอ้อไรสาระเดี๋ยวนี้ยังมีไมมละครอย่างเนี้ยยังมีอีกเหรอโอ้ยอดเยี่ยมจงจริงจนเปลี่ยนจากประเทศด้อยพัฒนาเป็นประเทศพัฒนาแล้วศิลปะวัฒนธรรมยังไม่พัฒนา ืางทีก็ซื้อกระตูนไปซื้อกระตูนกระตูนเด็กนะไม่ใช่กระตูนของผู้ใหญ่กระตูนผู้ใหญ่อ่านแล้วเกิดกิเลสกระตูนเด็กอ่านแล้วคํขาขำขำพอหัวร้อสักทีสองทีนะใจก็คลายละที่เหนื่อยที่เครียดกับเรื่องงานจนะไ ป, ไปนั่งสมาธิม่ใช่เวลากวามันจะคลายหาอารมณ์มาเปลี่ยนอารมณ์นี่เป็นอุบายนะเป็นแท็กติกในอุบาย ไม่ใช่หลักถ้าหลักก็คือจิตฟุ้งซ่านทําสมถะนี่สมถะเราฟุ้งซ่านมากหมดเลี้ยวหมดแรงเหนื่อยมากอย่างนี้ทายากเราผ่อนคลายหาอารมณ์ที่ผ่อนคลายจะเป็นอารมณ์ที่ไม่ทําให้กิเลสกระเพิ่มนะนั่งอ่านการ์ตูนเด็กเนี่ยบวราะไปสองสามทีมีการ์ตูน เยอะแยะเลยออกมาซื้อหมดจนก่อนจะมาบวชยังซื้อมาซื้อมาเรื่อยๆอ่านแล้วก็ไม่เห็นม่าจะขำอะไรเลยไว้แต่ก็อ่านนะมีแต่โจรมุมตึกอะไรเงี้ยนะซ <c oughs> <c oughs> ะซ้ำซัำซกซ้างบางทีขำว่ามันเขียนอะไรงมันซ้ําๆอย่างนี้นะเรารู้หมดเลย ถ้าเริ่มอย่างนี้เดี๋ยวมันลงเนี่ยก็ยังดูดูเพื่อเปลี่ยนอารมณ์เท่า น, นเองพอจิตใจสบายแลวภาวนาต่อบางวันไม่มีกระตุนดูนะหลวงพ่อเอาพระมานั่งดูพระองค์เล็กๆนะไม่ใช่ไปดูพระองค์โตๆนะพระพักเรื่องเล็กๆมาดูมีแว่นสองใครนึกว่าเป็นเสียนไม่ใช่หรอกส่องไปงั้นนะ ดูว่าพลังดีไหมถ้าแมมจับอย่างนี้มือนพิรุษมากไปนะอยากรู้วิธีไหมจับพลังนะอยากรู้ไหมยอยากแต่ไม่กล้าบอกนี่หลวงพ่อภาวนาอย่างนี้นะลองคิดเวลาที่หลวงพ่อภาวนาแต่ละวันเนะี่ยไม่น้อยเลยนะ ชั่วโมงที่ทํางานนะีที่ว่าแปดชั่วโมงจริงๆทําประมาณสี่ชั่วโมงกว่ากว่าหรื อ, อยังเข้าประชุมงานประชุมเยอะเช้าประชุมบ่ายประชุมที่เข้าไปนั่งฟังเป็นเวลาภาวนาของเราเลยเห็นหนายกรรมการคนนี้นะเบื่อที่สุดเลยพูดมากแต่ไม่มีสาระคนอย่างนี้มีเยอะนะเวลาเขาเลือกตั้งเสร็จแล้วเขาประชุมอะไปฟังเถอะ ยาวแต่ไม่ค่อยมีสาระเท่าไหร่บางคนมีความรู้ดีถ่ายทอดดีคนนี้มาประชุมเราก็พอใจดีใจเราจะได้ความรู้ใหม่ๆเนี่ยดีใจไม่พอใจอะไรปฏิบัติได้ตลอดวันวันหนึ่งนะชั่วโมงของการปฏิบัติเนี่ยเยอะไม่ใช่น้อยเวลาทำในรูปแบบไม่มากน่ะ เช้าไม่ได้ทำหรอกตะลีตาลา น, นแต่ทุกก้าวที่เดินคือการเดินจงกรมกลางคืนภาวนายอย่างมากก็ครึ่งชั่วโมงชั่วโมงน้นวิธีภาวนาคือนั่งดูพักเครื่องนั่งอะไรไปดูจิตดูอะไรไปตอนดึกๆเตื่นมาฉี่งพ่อจะกินน้ําเยอะ ตื่นบ่อยตอนตื่นมาคราวนี้ยคนอื่นหลับหมดละคราวนี้ยเรานั่งสมาธิได้ไม่กวนคนอื่นะสบายเนี่ยปฏิบัติอย่างนี้นะมันก็ได้ผลเร็วเพราะว่าชีวิตจิตใจของเราอยู่กับการปฏิบัติถ้าชีวิตจิตใจของเราอยู่กับโลกเราก็ได้โลกนั่นแหลนะชีวิตจิตใจเราอยู่กับธรรมเราก็ได้ธรรม อยู่ที่ตัวเราเองอยุทีธทําที่สุดแล้วนี่พวกเราไม่ค่อยมีกำลังใจที่จะปฏิบัติจริงอย่างกลงพ่อปฏิบัติเดเดี่ยวมากเลยอย่างที่เล่าให้ฟังทำอย่างนี้เป็นปกติของพวกเราใจมันไม่ค่อยแข็งแรงนะอินทรีย์มันอ่อน มันบางทีก็ฝันวันประกันพรุ่งบางทีก็อย่างโน้นอย่างนี้มีข้ออ้างเยอะที่จะไม่ปฏิบัติทั้งๆ ท, ที่หลวงพ่อสอนแล้วว่าทุกก้าวที่เดินเนี่ยปฏิบัติได้ทุกลมหายใจเข้าออกปฏิบัติได้แต่เรารู้สึกว่าขอเวลาไปทำอย่างอื่นก่อนใครเคยขอเวลาไปทำอย่างอื่นก่อนมั า, ทางทั้งๆที่มันไม่ใช่เรื่องจาเป็นเลยขอเล่น ลายก่อนอไอ้นี้ของคนแก่ใช่ไหมเด็กๆเล่นอะไรนะไอไอจี I IG. เป็นไงก็ไม่รู้รู้จักแต่ลายเพราะเราแก่แล้วเนี่ยไม่ว่างเลยต้องคุยกับเพื่อนไม่ใช่ข้ออ้างไม่ใช่ข้ออ้างหรอก ถ้าเราเด็ดเดี่ยวที่จะพ้นทุกข์นะเราก็พ้นทุกข์ถ้าเรายัางติดอยู่กับโลกเพลิดเพลิน อ, อยู่กับโลกเราก็ได้โลกวนเวียนอยู่แค่นั้นนะควรจะรีบปฏิบัติก่อนจะแก่นะแก่แล้วภาวนายากคำว่าแก่นี่อายุเท่าไหร่ไม่ใช่หกสิบนะ สี่สิบแปดขึ้นอายุคนรอบที่หนึ่งเนี่ยหนึ่งถึงสิบสองวัยเด็กใช่ไหมแต่ไปรอบที่สองเนี่ยเป็นวัยที่กําลังเติบโตเป็นวัยรุ่นวัยเติบโตรอบที่ 3, สามทรงตัวอยู่แล้วรอบที่สี่เนี่เริ่มเสื่อมแล้วอายุห้าสิบ ที่คนส่วนหนึ่งนะแต่ว่าส่วนใหญ่ก็ไม่มีการวิจัยรับรองแต่ได้ยินบ่อยว่าห้าสิบแลจะภาวนาคือหวังว่าจะใช้ชีวิตช่วงที่แข็งแรงเนี่ยไปในทางโลกให้หมดซะก่อนติดใจกับโลกเอาไ ว, แแ ว, าวา้แก่แล้วค่อยภาวนาแก่แล้วภาวนายากเดินจงกรมมันก็ไม่มีแรงจะเดินนั่งสมาธิเดี๋ยวก็นั่งหลับสมองมันเสื่อม แล้วใจที่เคยฝึกฟุ้งซ่านมาหลายสิบปีมันเคยชินที่จะฟุ้งซ่านจะมานั่งสมาธิให้จิตตั้งมั่นจิตสงบเนี่ยไม่ใช่ง่ายเพราะจิตเคยชินที่จะฟุ้งซ่าน ง, งั้นยิ่งปฏิบัติตั้งแต่อายุน้อยได้เท่าไหร่ยิ่งดีนะแต่ไม่ใช่ว่าต้องไปบวชนะอยู่กับโลกไปเรียนรู้โลกไปนะพอเข้าใจโลกแล้วเนี่ยจะมาบวชอะไรเงี้ย การภาวนาจะราบรื่นบวชแต่เด็กๆนั้นลาบากต้องทนจริงๆทีก็บวชไปอยงนั้นนะเป็นหนุ่มเป็นสาวมีศรัทธาบุบวาบมาบวชศรัทธาบุบวาบนึกออกไหมเดี๋ยวก็หมดละอยากสึกอีกละไปสึกออกไปอยู่สักพักอยากบวชอีกละอย่างเงี้ยเข้าๆออกๆนะ อันนี้ใจมันยังไม่ได้รู้จักโลกจริงมันยังคิดว่าโลกมีอะไรให้เรียนรู้มีอะไรที่อริเรธอร่อยนะยังสนใจอยู่ไม่ใช่เรื่องแปลกไม่ใช่ว่าเขาเลวนะเป็นธรรมดาคนยังไม่เคยรู้จักโลกมันก็อยากรู้ว่าโลกนี้มีอะไรยังบวชมาแต่เด็กเนี่ไม่รู้จักโลกหรอกนะอยู่แต่ในวัดอะไรเงี้ยรู้จักโลกแคบๆ ถ้าบวชมาแต่เด็กไปไหนไม่ได้แล้วเพราะไปไหนไม่เป็นเห็ุนั้นก็อยู่ไปเรื่อยๆถ้าหนุ่มๆมาบวชเนี่ยบางทียังไม่รู้จักโลกบวชได้ไม่นานไม่ทนอย่าเว้นนะั้นมีศรัทธามีบุญจริงพระพุทธเจ้าออกบวชอายุยี่สิบเก้ามีลูกมีเมียมีทุกอย่างที่ชาวโลกเขามีแล้วท่านเห็นว่ามันไม่มีสาระ อย่างนี้ท่านมีพลังในการบวชสูงอย่างถ้าเรามีเมียแล้วเราเบื่อเบื่อออกมาบวชข อ, อยาเมียนะบอกจะบวชลว้พอเมียลงคนเซ็นให้บวชเจ็ดวันออกไปหาเมียใหม่อย่างนี้มันยังไม่เข้าใจโลกถ้าเข้าใจโลกก็จะรู้โลกไม่มีอะไรนอกจากทุกข์ หลวงพ่อมาบวชอายุเยอะนะสีนะ่สิบปดนี่ยเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่อยู่ทํามาหากินอยู่มีภาระทางโลกเราก็ไม่ได้ทิ้งพ่อทิ้งแม่เราลูกคนเดียวต้องดูแลความสุขในโลกทั้งหลายหลวงพ่อรู้จักทั้งหมดเงินเราก็มีบ้านเราก็มีรถเราก็มีชื่อเสียงเราก็มีตําแหน่งหน้าที่การงานเราก็มีมีทุกอย่างที่คนในโลกเขาอยากได้ แต่จะไม่ได้มีเท่ามาหาเศรษฐีเขานะแต่ว่าไม่ได้อดอยากอะไรแต่เราอยู่กับโลกเราเห็นนะแต่ละวันแต่ละวันคนรอบตัวเราเนี่ยเต็ไมไปด้วยความทุกข์คนที่เราเคยรู้จักก็ล้มหายตายจากมากขึ้นมากขึ้นนะค่อยหายไปหายไปคนที่รู้จักคนใหม่ก็เข้ามาให้เรารู้จักเปลี่ยนรุ่นไปเรื่อยๆช้าๆ เนี่ยเห็นความไม่มีสาระแก่นสารของโลกคุณแม่ชีอยากบวชคุณแม่ชีเป็นคนชวนหลวงพ่อบวชนะบอกว่าพี่บวชไหมคือถ้าแม่ชีคข้ว่าถ้าเขาไม่ได้บวชเนะี่ยชาตินี้เขาตามหลวงพ่อไม่ทันม่ใจไม่ได้อยู่กับโลกนะมาอยู่กับหลวงพ่อเพื่อจะภาวนาแล้วก็ ชวนหลวงพ่อบวชหลวงพ่อเอาสิบวยก็บวชหลวงพ่อก็ไปชวนพ่อของหลวงพ่ออีกทีหนะแม่ตายไปแล้วชวนพ่อไปอยู่วัดกันไหมเอาเขาก็ใจเด็ดนะเขารู้ว่าเราอยากบวชแต่ติดอยู่ที่เขานะออกมาบวชได้เดือนเดียวพ่อเราก็ทิ้งโลกไปล้วเพราะว่ามาอยู่วัดเนี่ยนะคนมาหาเยอะแยะเลยคนจะมาหาหลวงพ่ออะไรก็ต้องมาคุยกลายเป็นนักรับแขกประจำวัด คุยเช้ายันเย็นนะแล้วก็อายุเก้าสิบล่ะลุกขึ้นมาเลยหกล้มหกล้มกระดูกหักนะเข้าโรงพยาบาลจะผ่าตัดก็ผ่าไม่ได้ทักทีเป็นเบาหวานต่เป็นพ่อบุญธรรมหลวงพ่อเลี้ยงหลวงพ่อมาเดือนเดียวที่ไปอยู่วัดก็ตายแนละ้วเนี่ยการปฏิบัตินะอยู่ในชีวิตรจริงๆทำให้ได้ เรียนรู้ลงไปโลกนี้ไม่ได้มีสาระแก่นสารโลกนี้มีแต่ทุกข์แต่โทษหัดดูให้เห็นความจริงของโลกโลกนี้ไม่ได้หน้าพิรมหรอกมองไปรอบๆตัวเราสิคนทุกข์มีมากเท่าไหร่ยี่คนกรุงเทพดูง่ายหันมองไปรอบๆตัวนะมีแต่คนเครียดคนกรุงทแทบเต็ไมไปด้วยความเครียดนะ่ะเครียดตื่นเช้าขึ้มาก็หน้าตาอย่างนี้เลย เมื่อก่อนหลวงพ่ออยู่เมืองนนเวลามาทำงานบางทีนั่งเรือมาบางช่วงนั่งเรือคนที่นั่งเรือเนี่ยกับคนที่นั่งรถเนี่ยจิตไม่เหมือนกันคนนั่งเรือนะจิตใจมันจะเผลอเอเพลินเสบายมีความสุขหน้าตาใสใสพวกนั่งรถเนี่ยตาขวางนะคนรอบตัวเราเต็มไปด้วยความทุกข์ เต็มไปด้วยความพลัดพลาดได้ยินไหมเดี๋ยเพื่อนคนนี้อกหกักเพื่อนคนนี้ผัวทิ้งนะเพื่อนคนนี้นะมีกิ๊กอะไรเงี้ยคนนี้ลูกตายนะมีอย่างนี้วนเวียนอยู่ยเี้ทั้งวันคนนี้ตกงานนะเต็มไปด้วยความทุกข์คนนี้โดนเวนคืนซื้อบ้านมาสรุปเลยถูกเวนคืนได้เงินนิดเดียวเนะนี่ยแต่ละคนนะเต็มไปด้วยความทุกข์ที่ก็เจ็บไข้ได้ป่วย มองไปรอบๆตัวมีแต่คนทุกข์คนที่เคยรู้จักก็ตายไปตายไปนะผู้ใหญ่กว่าเราญาติผู้ใหญ่ก็ตายไปกับหมดพอเห็นอย่างนี้นะมันจะไม่ติดต่อโลกจะมีแรงที่ออกจากโลกภนะาวนาขงเราไปมีโอกาสบวชเราก็บวชไม่มีโอกาสเราก็ภาวนานะความเป็นพระไม่ได้อยู่ที่การบวชการบวชนี่อย่างนี้แต่งตัวเนี้เป็นพระสมมุตินะ พระจริงอยู่ที่ใจของเราเองแต่ละคนสามารถเป็นพระได้ไปกินข้าวไปการกินข้าวก็คือการปฏิบัติธรรมนะไม่ใช่เวลาเพลิดเพลินนิมนต์นะครับเชิญกรรมการเชิญผู้ช่วยสอนเชิญทิศทิศนี่ต้องระบุนะเป็นทิศที่บวชกับหลวงพ่อนะทิศวัดอื่นไม่เอาเมื่อวานมีพวกมั่วตีมั่วแทรกเข้าไป ไม่ได้ดังเกียรติออกแต่ว่าทศหลวงพ่อหลวงพ่อเทรนมาจิตมันได้ระดับมาตรฐานที่เรียนต่อเลยเรียกเข้าไปเพื่อตรวจการบ้านมันไม่ใช่ทั่วๆไปหรอกอเชิญ